วันนี้มีท่านหนึ่งได้ถามคำถามว่าวิปัสสนากับสมถะภาวนานี้มีความแตกต่างกันอย่างไรสมถะภาวนานั้นเป็นการหยุดความคิดปรุงแต่งคือต้องการพักจิตใจ ต้องการความสงบเวลาจิตสงบแล้วจะมีพลังจะมีความอิ่มมีอุเบกขาจะตัดกำลังของกิเลสตัณหาที่เป็นข้าศึกศัตรูของจิตใจการทำสมถภาวนา เพื่อให้หยุดความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดเติงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามต้องการหยุดให้จิตได้พักผ่อนเหมือนกับร่างกายที่ต้องการการพักผ่อนหลับนอนส่วน วิปัสนานี้เป็นการใช้ความคิดแต่ให้คิดไปในทางความจริงคิดไปในทางธรรมะความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอนัตตา ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครเป็นธรรมชาติที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆสอนใจให้เห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายที่ใจมาสัมผัสรับรู้มาครอบครองมามีความผูกพันด้วย เช่นร่างกายเช่นความรู้สึกต่างๆของร่างกายและของจิตใจแล้วก็สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบริษัทบริวารลาบยศสรรเสริญยาติสนิทมิตรสหายบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆและสัตว์ต่างๆล้วนอยู่ภายใต้กฎของไตรลรักษณ์ทั้งนั้นถ้าเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ก็จะ ไม่ยึดไม่ติดจะปล่อยวาพร้อมที่จะให้เกิดพร้อมที่จะให้ดับเพราะรู้ว่าไม่สามารถที่จะไปหักห้ามไปป้องกันได้นี่คือวิปัสสนาการใช้ความคิดคิดไปในทางธรรมะคิดไปในทางความจริง จะใช้วิปัสสนาได้ก็ต้องออกจากสมถะออกจากความสงบมาก่อนถ้าใจยังอยู่ในความสงบอยู่ยังอยู่ในสมถะอยู่ในสมาธิอยู่ยังไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญวิปัสสนาขณะที่อยู่ในความสงบนี้ก็เหมือนกับร่างกายที่กำลังหลับนอนไม่ควรตุก ให้ตื่นขึ้นมาเพื่อให้เอาเพื่อไปทำงานเพราะจะไม่พร้อมถ้ายังหลับไม่พอถ้าปลุกขึ้นมาก่อนเวลาก็จะมีความหงื่อเย็ดจะไม่มีกําลังวังชาที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่เวลาจิตสงบอยู่ในสมาธิก็เช่นเดียวกัน ปล่อยให้สงบจนกว่าจะถอนออกมาเองความสงบก็มีระยะเวลาต่างกันไปตามกำลังของสติเวลาปฏิบัติเริ่มแรกสติจะมีกำลังไม่มากก็จะอยู่ได้เพียงชั่วขณะเดียวเรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าเจริญสติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆ กำลังของสติก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับการเข้าไปสู่ความสงบเข้าไปตั้งอยู่ในอุเบกขาก็จะนานขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับเขาเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิถ้าจิตสงบตั้งอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าตั้งได้อยู่เพียงชั่วขณะหนึ่ง แล้วถอนออกมาก็เรียกว่าคณิกะสมาธินี่คือสมาธิที่จะพักจิตใจให้มีกำลังให้สนับสนุนในการเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปหลังจากที่ออกจากคณิกะหรือออกจากอปปนาสมาธิมาแล้ว ส่วนมีสมาธิอีกอย่างเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่ไม่นิ่งไม่เป็นอุเบกขาไม่ว่างจะปรากฏมีสภาวธรรมต่างๆปรากฏให้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรูปหรือเป็นอะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็น รูปทิบยเสียงทิพย์กลิ่นทิพย์หรือนิมิตต่างๆความรู้ต่างๆความสามารถพิเศษของจิตก็จะเกิดอยู่ในสมาธิที่เรียกว่าโอปปจาระนี่ท่านบอกว่าโอุปจาระนี่จะเกิดตอนที่จิตรวมก็ไปสู่อัปปนาแต่ไม่ตั้งอยู่ในอุเบกขาจะถอนออกมา แต่ไม่ถึงขั้นจิตปกติจะถอนออกมาระหว่างอั ป, ปนากับจิตขั้นปกติเพื่อที่มารับรู้เรื่องราวต่างๆตามแต่จริตนิสัยวาสนาของแต่ละท่านบางท่านก็สามารถเลาลึกชาติได้อดิตชาตว่าได้ เคยเกิดไปเป็นอะไรมาบ้างบางท่านก็สามารถติดต่อกับกายทิปได้กายทิปก็มีหลายระดับกายทิปที่เป็นเทพหรือกายทิปที่เป็นผีคือผู้ที่ตายไปแล้วแล้วก็มาปรากฏมาพบมาสนทนา มาคยุยมาเล่าเรื่องราวต่างๆของตนหรือถ้ามีความสามารถอีกแบบหนึ่งก็คือสามารถอ่านกระแสะจิตของผู้อื่นได้ผู้อื่นกำลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ก็สามารถรับรู้ความคิดของผู้อื่นได้ที่เรียกว่ารู้วาระจิตของผู้อื่น ความรู้ความสามารถเหล่านี้ถึงแม้จะฟังแล้วรู้สึกว่าวิเศษมหัศจรรย์แต่แต่มันไม่มีประโยชน์ในการที่จะเอามาใช้กับการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เห็นอริยสัจเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์จะไม่ไม่เห็นอริยสัจจะไม่เห็นไตรลักษณ์จาก ความรู้ต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติหลงติกอยู่กับสมาธิแบบนี้ได้เพราะเป็นโลกียะสามารถเอามาใช้สนับสนุนความอยากได้ในราบยศสรรเสริญได้เป็นอย่างดีสามารถทำมาหากินด้วย ความรู้ความสามารถพิเศษนี้ได้เช่นบุคคลที่มีความสามารถดูภายในเรื่องราวของบุคคลนั้นบุคคลนี้จะจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็จะสามารถใช้เป็นอาชีพทำมาหากินได้เป็นอย่างดีผู้ <c oughs> ที่ไม่ได้ศึกษาอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับเป้าหมายของการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็อาจจะติดกับดักของกิเลสตัณหาเวลาที่ได้บรรลุความสามารถในในเรื่องการมีความสามารถพิเศษของจิตสามารถดันเล็กชาติได้สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ สามารถรู้อดีตอนาคตได้สามารถอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้หรือมีความสามารถพิเศษเช่นเหาะเหินเดินอากาศเป็นต้นความรู้เหล่านี้ความสามารถเหล่านี้ไม่ได้เป็นโล ก, กุตระคือไม่สามารถยกจิตให้อยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่สามารถยกจิตให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของอนิจจังทุกขังอนัสตาได้ผู้ปฏิบัติแล้วติดอยู่กับขั้นอุปปจาระสมาธินี้ก็จะยังต้องติดอยู่กับกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่เกิดวิไม่เกิดปัญญาจะไม่ออกไปทางวิปัสสนา ก็จะไม่มีกําลังที่จะออกไปทางวิปัสสนาเวลาออกจากสมาธิแบบนี้มาก็จะไม่มีกําลังที่จะดึงสังขารความคิดตรงแต่งให้ไปคิดในทางตายรักทางอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นร่างกายนอนหลับก็เหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปเวลาตื่นขึ้นมาก็จะ ไม่มีกําลังร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่เหมือนกับการนอนหลับสนิทไม่มีความฝันเวลาตื่นขึ้นมาร่างกายจะมีกําลังวังชามีความสดชื่นพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจต่างๆกิจที่เข้าในอัปปนาสมาธิก็จะมีกําลังเวลาออกมาจากสมาธิ กิเลสตัณหาได้ถูกตัดกําลังลงไปเวลาออกมาใหม่ๆนี้กิเลสตัณหายังไม่มีกําลังที่จะออกมาสร้างความวุ่นวายสร้างความอยากสร้างความโลภให้แก่ใจเวลานั้นก็สามารถที่จะเดึงใจให้มาคิดในเรื่องของใจรักในเรื่องของอสุภะในเรื่องของอริยสัจสีได้ นี่คือวิปัสสนาพอออกจากสมถะ ม, มาแล้วไม่ควรที่จะอยู่เฉยๆควรจะพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะส่วนที่มีปัญหากับเราส่วนที่เรายังมีความรักมีความหวงยังมีความวิตกกังวลกับเถาอยู่ให้พิจารณาให้เห็นว่า ไม่ช้าก็เร็วเขากับเราก็ต้องไปกันคนละทิตศคนละทางไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเขาไม่เสื่อมไม่หมดร่างกายของเราก็จะมีวันเสื่อมมีวันหมดเหมือนกันพิจารณาให้เห็นการพัดพรากจากกันโดยเฉพาะกับสิ่งที่เรารักเราชอบบุคคลที่เรารักเราชอบ อย่าไปเสียเวลาพิจารากับบุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบเพราะมันไม่มีผลกระทบกับจิตใจของเราเช่นบางท่านนั่งนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาแล้วก็เห็นว่าสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้ดับเช่นเสียงนกร้องนกร้องแล้วก็ดับไปเห็นมันเห็นแบบนี้มันก็ไม่มีผลอะไรกับจิตใจเพราะจิตใจไม่ได้มีความผูกพันกับเสียงของนกงนกร้องนั้น นกมันจะร้องไม่ร้องเราก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ได้จะฟังเสียงก็ต้องฟังเสียงจากคนที่เรารับหรือเราไม่ชอบเวลาเขาด่าเราอย่างนี้เป็นยังไงฟังแล้วเห็นว่าเกิดเห็นว่าดับหรือเปล่าเห็นว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์เห็นว่าเป็นอนัตตาหรือเป็นอาตตา อ, อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณา เวลาโดนใครเขาด่าแล้วเราเฉยเป็นอุเบกขาเหมือนตอนที่เราอยู่ในสมาธิได้หรือเปล่าหรือเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาถ้าเป็นฟืนเป็นไฟก็แสดงว่าไม่มีวิปัสสนาไม่มีปัญญาไม่เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังเกิดแล้วก็ดับดาเสร็จแล้วก็ดับไปแล้วไม่เห็นว่า ทุกพ่อเกิดจากความอยากไม่ให้เขาด่าอยากให้เขาชมแต่เขากลับมาด่าเราก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเป็นอนัตตาคือเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทำอะไรเป็นเรื่องของเขาถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะรักษาอุเบกขาของใจไว้ได้แต่ผู้ที่ยังไม่ได้สมถะภาวนาก็จะไม่มีอุเบกขาที่จะรักษาเวลาอะไรมากระทบปั๊บนี้ก็จะเกิดอปฏิกิริยาขึ้นมา ท, าทันทีจะดีใจจะเสียใจจะโลภจะโกรธขึ้นมาทันที ผู้ที่ไม่มีสมถาภาวนาจึงไม่พร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาเพราะไม่มีอุเบกขาเป็นจุดยืนจะไม่รู้ว่าพิจารณาไปทำไมจะไหลไปตามกำลังของความโลภของความอยากทันทีอยากได้อะไรก็อยากจะทำตามทันที อยากดูอะไรก็จะดูทันทีอยากฟังอะไรก็จะฟังทันทีเพราะคิดว่าทำแล้วจะเป็นความสุขนั่นเองไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์เพราะไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังว่ามันเป็นเพียงของความสุขชั่วคราวไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เวลาที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้ ดังนั้นผู้ที่จะเจริญวิปัสสนาให้ได้ผลจริงๆจําเป็นจะต้องผ่านสมถะภาวนาก่อนจําเป็นจะต้องได้อัปปนาสมาธิให้ใจสงบนิ่งเป็นอุเบกขาก่อนแล้วพอออกจากอุเบกออกจากสมถะภาวนามาก็พยายามรักษาอุเบกขาที่ได้จากสมถะภาวนา เวลาเกิดความอยากต้องใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ทําตามความอยากให้ได้หรือถ้ายังไม่เกิดความอยากก็ให้ซ้อมทําการบ้านไปก่อนให้คิดถึงเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นที่จะทําให้จิตต้องเกิดความอยากขึ้นมาเช่นถ้าเป็นคนที่มีความชอบในเรื่องของการอารมณ์เรื่องของการ รักคนนั้นรักคนนี้อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาก็ให้พิจารณาอสุภะให้เจริญอสุภะกรรมฐานให้พิจารณาดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายบ้างอย่ามองแต่ส่วนที่สวยงามให้มองส่วนที่ไม่สวยงามส่วนที่สกปรกไม่สะอาดเพื่อจะได้ ละลายสลายการมาราคความอยากในการความกำหนัดยินดีกับการร่วมเพศอันนี้ต้องดูอวัยวะต่างๆที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าสามารถดูเห็นเข้าไปข้างในก็จะไม่ไม่เกิดการมารมได้ หรือจะมองตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ได้ดูคนที่ตายแล้วเราดูซิว่าจะเกิดการอารมณ์กับซากศพบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาในขณะที่ยังไม่มีเหตุการณ์คือยังไม่เกิดตัณหาขึ้นมาก็ให้ซ้อม ทำการบ้านไปก่อนเวลาเกิดตันหาขึ้นมาแล้วจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการดับตันหาได้นี่คือการพิจารณาสุภะเพื่อดับความกำหนัดยินดีในกาม ร, รมถ้าเรามีความกลัว ความแก่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความตายเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้จะต้องแก่พิจารณาดูสภาพของคนแก่ว่าเป็นอย่างไรศีษะผมบนสีษะเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรสุขภาพเป็นอย่างไรพิจารณาไปเรื่อย พิจารณาดูตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเป็นอย่างไรเขาจับใส่ลงไปตั้งไว้บนสาราสวดศพเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาเผา เ, าเอาขึ้นเมนเข้าเตาเผ า, เผาตายไปเผาไปจนตอนเช้าก็ไปเก็บเศษที่เท่ากับเศษกระดูก นี่คือเรื่องการสอนใจให้เห็นความจริงของร่างกายให้เห็นอนิจจังให้เห็นอนัตตาอนัตตก็คือห้ามเขาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ให้เห็นว่าไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายทั้งร่างกายนี้เป็นแต่ดินน้ํำลมไฟก้ามาทางอาหาร แล้วก็เวลาตายไปก็แยกกันออกไปอันนี้เป็นเป็นการทําการบ้านถ้ายังไม่มีเหตุการณ์จริงปรากฏขึ้นมาแต่รู้ว่าจะต้องเจอเหตุการณ์จริงสักวันหนึ่งในภายภาคหน้าก็ต้องทําการบ้านไปก่อนแล้วดูซิว่าใจจะ เป็นปกติเป็นอุเบกขาได้หรือเปล่าเลยจะเกิดความวุ่นวายใจเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาถ้าเกิดความวุ่นวายใจก็แสดงว่ายัางยังแพ้อยู่ยังกลัวอยู่พิจารณาแล้วเห็นว่าเออมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องเป็นอย่างนี้จริงๆมันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปเราไม่ได้เป็นมัน เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้มารับรู้เรื่องราวของร่างกายเรามาครอบครองร่างกายนี้เป็นสมบัติชั่วคราวเดี๋ยวเวลาที่มันจะต้องไปก็ปล่อยมันไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาหรือถ้าเกิดมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นมาเลยเออกจากภาวนามาก็มาเจอปัญหาเลย ก็คือไปหาหมอมาหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนออกมาพอมาสัมผัส ร, รับรู้กับโรคมะเร็งของร่างกายดูซิว่าใจเป็นอย่างไรใจตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวไม่มีกระจิตกระใจที่จะอยู่ต่อไปวุ่นวายใจสับสน ท่อแท้เบื่อหนหรือเปล่าถ้าท้อแท้เบื่อหนก็แสดงว่าวิปัสสนา t ี้ยังไม่มีกำลังหรือว่ามีวิปัสสนาแต่ไม่มีสมถะแต่นี้พูดถึงคนที่มีสมถะแล้วถ้าพิจารณาด้วยวิปัสสนาก็จะปล่อยร่างกายได้ แต่ถ้ายิ่งไม่มีสมถะด้วยยิ่งจะไม่มีกรจิตกระใจใยที่จะพิจารณาว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่นอนอย่างตามที่หมอบอกกิเลสตัณหาจะออกมาวุ่นหาวิธีรักษากันอยู่อย่างเดียวหมอที่ไหนดีโรงพยาบาลที่ไหนดียาที่ไหนดีมันจะวุ่นกับการที่จะรักษาให้ร่างกายนี้ให้อยู่ต่อไปให้ได้ แทนที่จะมาเจริญวิปัสสนามาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปมาทำใจเตรียมรับกับเหตุการณ์จะดีกว่าดีกว่าที่จะมัววุ่นวายกับการไปหาอยู่้ายาหาหมอหาวิธีการรักษาต่างๆเพื่อให้มันอยู่ต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่ง รักษาให้ได้ได้อย่างไรไม่ช้าก็เร็วมันก็จะถึงจุดที่มันรักษาไม่ได้อยู่ดีถ้าใจเรายัางวุ่นวายกับเรื่องราวเหล่านี้อยู่ก็ควรที่จะมาเจริญวิปัสสนาจะดีกว่ามาพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาของร่างกายแต่ถ้าไม่มีสมถะภาวนาจะไม่มีกําลังที่จะมาคิดถึงเรื่องการจะเจริญวิปัสสนากัน จะเอาแต่หาอยู่หายาหาหมอหาวิธีการรักษาต่างๆเพื่อที่จะมารักษาให้ร่างกายนี้กลับเป็นปกตินี่คือ <c oughs> ความแตกต่างของผู้ที่มีสมถะภาวนาหรือไม่มีสมถะภาวนามีวิปัสสนาภาวนาหรือไม่มีวิปัสสนาภาวนา ถ้าสำหรับผู้ที่มีสมรรถภาวนามีวิปัสนาภาวนาปล่อยวางร่างกายได้แล้วก็จะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายถ้าจะรักษาก็พิจารณาดูความเหมาะสมดูควา ม, มดูตามเหตุตามผลรักษาได้ก็รักษาไปไม่รักษาได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร คือจะได้ทั้งสองรูปแบบไม่ใช่จะเอาแต่รักษาอย่างเดียวว่าผู้ที่ได้ปล่อยวางร่างกายแล้วไม่ได้เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะอยู่ก็อยู่ไปอย่างพอที่จะเยียวยารักษาได้ก็เยียวยารักษาไปแต่ใจไม่ได้มีความอยากที่ให้ร่างกายอยู่ต่อไป หรื อ, อยากให้ร่างกายตายไปก็ไม่มีปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติของเขา <c oughs> อันนี้คือเรื่องของวิปัสสนาภาวนาคือการใช้ความคิดเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นความไม่มีตัวไม่มีตนเห็นความที่ไม่มีใครจะไปควบคุมบังคับสั่งให้ สภาวธรรมต่างๆเป็นไปตามความต้องการของตนได้เพื่อที่จะได้ไม่ไปทุกข์กับสภาวธรรมต่างๆนั่นเองอยู่ด้วยกันก็อยู่แบบน้บบาบนใบบัวรับรู้แต่ไม่ไปซึมทราบไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสภาวธรรมทั้งหลายไม่ใปพยายามแก้ไขดัดแปลงจัดการกับสภาวธรรมต่างๆ แต่ถ้ายัางไม่มีส ม, มถาภาวนาไม่มีวิปัสสนาภาวนาไม่ได้หลุดพน้นใจมันก็จะเป็นเหมือนกระดาษซับกับน้ำหยดน้ำที่มันจะดูดเข้าหากันทันทีเวลาได้สัมผัสกันใจที่ยังมีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาอยู่พอสัมผัสกับสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมหนึ่ง ก, ก็จะเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทันที เกิดตัณหาความอยากทันทีอันนี้เป็นความแตกต่างของจิตของผู้ที่ได้บำเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนากับจิตของผู้ที่ยังไม่ได้บาเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่คือเรื่องของ ความแตกต่างระหว่างสมถะและวิปัสสนาภาวนาแต่เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกันต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะเสร็จภา ร, รกิจคือจนกว่าจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้การเจริญสมถะกับเจริญวิปัสสนาภาวนานี้จะไปควบคู่กันคือจะสลับกันไป เวลาออกจากสมถาภาวนาก็มาจจราวิปั ส, สนาภาวนาพอเวลาต้องการจะพักเนื่องจากพิจารณาแล้วหมดกำลังอุเบกขาไม่สามารถที่จะรักษาอุเบกขาจากการพิจารณาได้กิเลสตัณหายังไม่ยอมยังไม่ถูกทําลายด้วยกำลังของสมถะและวิปั ส, สนาที่มีอยู่ ก็ต้องกลับไปพักก่อนกลับไปเติมพลังในสมะถะภาวนาใหม่หยุดการพิจารณาหยุดการคิดทางธรรมะชั่วข่าวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นธรรมะแล้วมันเป็นธรรมเมาพิจารณาแล้วไม่ได้เหตุไม่ได้ผลพิจารณาแล้วตัดไม่ได้ปล่อยไม่ได้ก็ควรจะหยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้ามา สู่สมถะภาวนามาเต็มพลังของอุเบกขาพอพักได้เต็มที่แล้วพออิ่มตัวแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็มาพิจารณาปัญหาเดิมที่ยังไม่สามารถที่จะปรองหรือวางได้ทำอย่างนี้ไปแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วก็จะปรองวางปัญหาที่ตนเอง มีความผูกพันอยู่มีความยึดติดอยู่ได้การบําเพ็ญของสมถะและวิปัสนาท่านเปรียบเหมือนกับการเดินของเท้าซ้ายและเท้าขวาเวลาก้าวเท้าซ้ายก็ใช้เท้าขวายันไว้เวลาก้าวเท้าขวาก็ใช้เท้าซ้ายยันมไว้สมถะก็ดันวิปัสนา วิปัสสนาก็ดันสมถะเวลาพิจารณาอะไรแล้วปลงได้วางได้จิตก็จะสงบมากขึ้นไปมีความกำลังของอุเบกขาเพิ่มมากขึ้นไปเวลามานั่งสมาธิก็ทำให้จิตลงลึกกว่าเดิมมีความแน่นหนามั่นของกว่าเดิมตั้งอยู่ในอุเบกขาได้นานกว่าเดิม ก็ได้กำลังจากการพิจารณาปล่อยวางสภาวะธรรมต่างๆด้วยวิปัสนาภานาดังนั้นการปฏิบัตินี้ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ได้สมถะเต็มร้อยแล้วค่อยออกจเจริญวิปัสนาท่านบอกว่าสมถะขั้นไหนก็สามารถสนับสนุนวิปัสนาขั้นนั้นได้ เป็นขั้นหยากขั้นกลางขั้นละเอียดของสมถะภาวนาก็จะสนับสนุนาการเจริญวิปัสสนาขั้นอยากขั้นกลางขั้นละเอียดตามลำดับไปพอพอนั่งสมาธิแล้วจิตสงบได้นานหรือไม่ดานก็ตามพอออกมาก็มีทางเลือกอยู่สองทางถ้าอยากจะเจริญสติต่อก็ได้ คอยบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็บริกรรมพุโทโธต่อไปจนออกมาเดินจงกรมก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือทำภาร ก, กิจอะไรต่างๆก็บริกรรมพุโทโธไปพอมีเวลาว่างก็กลับไปนั่งสมาธิต่อให้จิตสงบลึกเข้าไปนานขึ้น <c oughs> หรือว่าออกมาจากสมาธาแล้วก็จะ พิจารณาเจริญวิปัสนาเลยก็ได้เป็นพิจารณาอาการส2สองของร่างกายเกสาโลมานขาดันตาตาโจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพิจารณาให้เห็นอาการต่างๆว่าไม่สวยไม่งามว่าสกรปรกมีสิ่งที่เป็นปฏิกูลถูกขับถ่ายออกมาตามทวารต่างๆ อั น, นี้พิจารณาไปแทนที่จะเจริญสติก็ได้ถ้ามีความสามารถที่จะพิจารณาได้บางท่านนี้พิจารณาไม่เป็นก็จะต้องใช้การเจริญสติไปก่อนแต่ถ้าเจริญแต่สติอย่างเดียวไม่พิจารณาก็จะติดอยู่ในสมาธิยังไม่ก้าวขึ้นเหนือขั้นของสมาธิไปได้ ถึงแม้ว่าจะนั่งเข้านั่งอยู่ใน อ, อปปนาได้เป็นชั่วโมงก็ตามมันก็จะเป็นเพียงสมาธิเท่านั้นจะไม่มีปัญญาจะไม่มีการตัดกิเลสตัดตัณหาได้อันนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้ออกมาพิจารณาตรายักษ์พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะพิจ า, ารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ พิจารณาสรากศพอันนี้จะทำให้เกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใช้ในการตัดตัณหาความอยากต่างๆ ต, ตัดตัณหาได้ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติควรที่จะ ศึกษาให้เกิดความเข้าใจเพื่อจะได้บาเพ็ญได้อย่างถูกต้องถ้าเข้าใจแล้วบาเพ็ญจะไม่เสียเวลาจะไม่ติดอยู่จุดใดจุดหนึ่งจะก้าวไปได้เรื่อยๆจะบรรลุทมขั้นต่างๆไปได้ตามลาดับจนถึงขั้นสูงสุดตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพยากรณ์ไว้ในท้ายของพระสูตรของ สติปัฏฐานสูตรว่าผู้ใดก็ตามถ้าปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ทรงสอนให้ปฏิบัติได้ก็จะสามารถบรรลุทําขั้นต่างๆได้ภายในเจ็ดวันถ้าไม่ได้ภายในเจ็ดวันก็ภายในเจ็ดเดือนถ้าไม่ภายในเจ็ดเดือนก็ภายในเจ็ดปีนี่คือ คำพยากรณ์หรือคำรับรองของพระพุทธเจ้าตอนที่ได้แสดงสติปัฏฐานสูตรก็คือการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิให้เกิดอัปปนาสมาธิแล้วก็ให้ให พ, ใหพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เป็นวิปัสสนาภาวนาเพื่อจะได้เห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย ว่าเป็นไปแล้วพิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากให้สภาวธรรมทั้งหลายเป็นไปตามความต้องการของตนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ใจนี้อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแท้แน่นอนอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสุขกับตนแต่ สภาวธรรมทั้งหลายเขามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับอยู่เรื่อยๆก็จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการเวลาเกิดความอยากก็จะมีแต่ความวุ่นวายใจเพราะจะไม่สมกับความอยากจะไม่ได้สมความอยากนั่นเองผู้ที่จะบรลุ ทำขั้นต่างๆได้จําเป็นจะต้องเห็นการทํางานของอริยสัจสี่เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ก็คือสมุทยัยว่าเป็นตัณหาเป็นกามะตัณหาเป็นภาวะตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาเห็นการดับของความทุกข์ภายในใจว่าเกิดขึ้นจากการมีมรรคคือมีปัญญา เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดย่อมมีดับเป็นธรรมดาถ้าไปอยากไม่ให้ดับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไม่ให้เขาดับเขาจะดับก็ปล่อยเขาดับไปร่างกายจะแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยเขาไปเจ็บไข้ได้ป่วยไปร่างกายจะตายก็ปล่อยเขาตายไป ขามเขาไม่ได้เป็นอนัตตาเราไม่ได้เป็นเขาเราไปวุ่นวายกับเขาทําไมร่างกายเขากับไม่วุ่นวายเหมือนเราร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกับไม่วุ่นวายกับเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาผมเขาจะหงอกผมหงอกเขาไม่วุ่นวายแต่ใจที่มาครอบครองเป็นเจ้าของเนี่วุ่นวายแทนผมหงอกต้องไปเปลี่ยนสีให้กับเขาเขาไม่เคยเรียกร้องให้เปลี่ยนเลย บอ oh, ช่วยย้อมผมให้หน่อยสิผมตอนนี้เงอยแล้วมันไม่เคยบอกไม่เคยเรียกร้องมีแต่ใจที่มันยึดติดกับความสวยความงามของร่างกายความอยากให้ร่างกายสวยไปเรื่อยๆนี้ทําให้ต้องไปย้อมผมเป็นสีต่างๆเพราะอาวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงว่าร่างกาย นี้จะต้องมีผมหงอกตามลำดับนี่คือเรื่องของวิปัสสนาและเรื่องของสมถะภาวนาที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะปลดเปลื้องจิตใจที่ติดอยู่กับกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกนี้ได้เข้าสู่ ข้าวิปา น, านแดนที่ปราศจากความทุกข์แดนที่ปราศจากการเกิดแก่เจ็บตายแดนที่มีแต่ความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดแดนของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาได้อย่างเต็มที่ ผู้ใดก็ตามถ้าสามารถเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้อย่างเต็มที่ก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็จะได้ผลเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาการลิโกความจริงอันนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเรื่องของ <c oughs> การปฏิบัติสมถะภาวานาวิปัสนาภาวานานี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้กี่ครองค์ก็จะใช้วิปัสนาและใช้สมถะภาวานาวิปัสนาภาวานาตรัสรุด้วยกันเท่านั้นแล้วเวลาสอนก็จะสอนเรื่องสมถะภาวานาวิปัสนาภาวานาด้วยกันทุกองสาวกทั้งหลาย ที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็ปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเช่นเดียวกันแล้วก็จะได้บรรลุเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะผู้ครองเรือนเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนแก่ไม่สำคัญเพราะมันเป็นเรื่องของร่างกาย เรื่องกายไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติที่แท้จริงก็คือใจเพียงแต่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิเท่านั้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติสมถะภาวน า, าและวิปัสสนาภาวนานี้คือใจใจนี้ไม่มีเพศไม่มีวัยใจของพวกเราทุกคนนี้เหมือนกันทุกคน ตามตรงที่ว่ามีกิลเลสตัณหามากน้อยกว่ากันเท่านั้นเองแต่ใจนี้ธรรมชาติเป็นผู้รู้มีเป็นผู้รู้สึกนึกคิดเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญสัมมาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้เหมือนกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะมีอินซีรองรับหรือไม่ อินทรีย์ก็คือศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าวิริยะคือความอุตสาหะความพยายามที่จะเจริญส ม, มะถะและวิปัสสนาภาวนาก็คือเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญานี้อยู่ที่อินทรีย์ทั้งห้านี้ถ้ามีมากก็จะมีกำลังมาก ถ้ามีน้อยก็จะมีกําลังน้อยแต่จะมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นปัญหามีน้อยก็สามารถทําให้มันมีมากขึ้นมาได้ <c oughs> อยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทำเท่านั้นเองดังนั้นดังนั้นขอให้เราจงหันมาดูตัวเราเองอย่าไปดูคนอื่นมากจนเกินไป ดูคนอื่นก็ดูเพื่อให้เกิดกำลังใจว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอาหลหนังทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็เป็นใจที่ถูกกิเลสตันหาหุ้มห่ออยู่แต่ท่านมีความขนขวายมีความตะเกียกตะกายมีศรัทธาในการที่จ ะ, จะเจริญสมถะภาวนาละวิปัสสนาภาวนาท่านจึงสามารถยกจิตใจของท่าน ให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราถ้ามีศรัท ธ, ธามีความอุตสาหะความพยายามขวนขวายพวกเราก็สามารถที่จะยกใจของพวกเราให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกันขอให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้มีฉันทาวิริยะ กิตตวิมังสาที่จะบำเพ็ญเมื่อเราได้บำเพ็ญแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราพุ่งไปที่การบำเพ็ญเป็นหลักถามตัวเราอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากาลังบำเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาหรือเปล่า หรือเรากําลังนับเงินนับทองกันอยู่หาเงินหาทองกันอยู่นับวันนับคืนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปดื่มจะไปรับประทานที่ไหนดีให้เรารู้เราจะได้รู้ว่าเราควรจะทําทกิจที่เราควรจะกระทําทหรือไม่ถ้าเราไม่ทดสอบดูตรวจสอบดูพฤติกรรมของเราเราจะมองไม่เห็น เพราะเราไม่ชอบมองพฤติกรรมของเราเราชอบเพ่งเลงคนอื่นเพ่งโทษของคนอื่นแต่ไม่ชอบเพ่งโทษของตัวเราเองถ้าเราสามารถพลิกกลับได้แทนที่จะไปชอบเพ่งโทษของคนอื่นให้มาชอบเพ่งโทษของตัวเราเองเราก็จะได้รับประโยชน์เพราะถ้าเรามีโทษเราก็จะได้แก้ไขได้มีความผิดตรงไหนบกพร่องตรงไหนเราก็จะได้แก้ไขได้ แต่การไปเพ่งโทษผู้อื่นนี้เราไม่ได้รับประโยชน์ถ้าเราไปบอกเขาเขาจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ถ้าเขายินดีที่จะฟังเราแต่ปัญหาก็คือทุกคนไม่ชอบให้คนอื่นเพ่งโทษตนเองเวลาอรค่ไปบอกแทนที่จะขอบอกขอบใจกับไปโกรธไปเกลียดเขาทีเสียอีกแต่ถ้าเป็นผู้ที่ขวนขวาย ต้องการพัฒนาตนเองแล้วจะยินดียินดีให้ผู้อื่นเพ่งโทษของตอนเสมออย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้พระมีการปรวาณาในวันสุดท้ายของพรรษาการปรวาณาตัวก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ตำห น, นิว่ากล่าวติเตียนชี้โทษของตอนนั่นเองเพราะว่า การชี้โทษว่ากล่าวติเตียนของผู้อื่นก็เป็นเหมือนกระจกส่องเงาดีๆนี่องถ้าเราไม่มีกระจกส่องเงาเราจะไม่รู้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรสะอาดหรือไม่สะอาดควรที่จะเช็ดตรงไหนถล้างตรงไหนหรือไม่ผมเผาของเราเรียบร้อยหรือไม่เสื้อผ้าที่เราใส่เป็นอย่างไรนี่เราจะมองไม่เห็นเราต้องมีกระจกส่องเงาสันใดเราก็ต้องมีผู้อื่นคอยเพ่งโทษ การไปศึกษาการไปอยู่ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ก็เพื่อไปหากระจกสองเงานี่ครูบาอาจารย์ท่านจะคอยดา่าคอยว่าคอยด่าว่ากล่าวตักเตือนอยู่เสมอแต่ไม่ได้ทําด้วยความโกรธเกลียดแต่อย่างใดทําด้วยความปรารถนาดีทําด้วยความเมตตาผู้ที่รับความว่าดูด่าว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์ได้ก็จะได้รับประโยชน์ ถ้ารับไม่ได้ก็ก็ต้องหนีไปอยู่กับท่านไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะแก้ความผิดความบกพร่องของตนได้เพราะไม่ยอมมองผู้อื่นมองชี้แล้วก็ยังไม่ยอมรับแล้วตัวเองจะกล้ามองความบกพร่องของตนเองได้อย่างไรถ้าไม่แก้ก็ไม่มีวันที่จะดีขึ้นมาได้ ดันั้นขอให้พวกเราพยายามองตัวเราเองให้มากกว่ามองผู้อื่นมองพฤติกรรมของเราว่าไปในทิศทางไหนไปในทางของกิเลสตัณหาหรือไปในทางมรรคผลนิพพานถ้าเรามองอยู่เรื่อยๆเราจะได้ปรับทางของเราได้เวลาที่เราเดินออกนอกลู่นอกทางแล้วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันได้ อย่างง่ายดายและรวดเร็วการเจริญก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอขอยุติไว้เพียงเท่านี้จะขออนุโมทนาให้พรเลยหลวงพ่อเจ้าคะหนูอยากถามว่าคาถาไอหุ่นเหตดไอทวิชัยน่ที่ว่าที่ให้พระเทพอ่ะเทพอยู่เป็นสวรรค์เทไม่ต้องตกนรกอ่ะที่ไปฟังคำพระพุทธเจ้าแล้ว ให้สวดช่องค่ะฐานนี้จ้ำตกงานลกเขาก็เลยอย่จเกิดติดแปดสิบแปดสิบล้านตีพร้อมอะไรคระเสียฤกษ์ยาขนาดก็จะเกิดมา enfin เป็นอะไระเสียหร้าอะไรันนี่คือฐานนี้เป็น่ต้วเจ้าขายหรือฟังพระเพศมาทํานม่แฝ่หรฟังนิดไปไม่เดี๋ยวเดี๋ยวห้มตอนนี้ไม่สะดวก ขั้นแรกลูกอยากเรียนาอยาแต่ว่าลูกก็จถูกต้องปาในเ ร, รื่องการปฏิบัติกกคือข้อสำคัญมจิตจ้คนอุขาข้อสาคัญนี้จิตต้องต้องต้องทำจิตให้เป็นอุเบกขาออต้องขอสมาธิให้ได้สมาธิส ถ, ถ้าไม่มีอุเบกขามันก็ไม่รู้ว่าจะจะตรงตรงไหนจะปล่อ ย, ยตรงไหน มันปล่อยไม่เป็นรถถ้าไม่เข้าเกลียวว่างมันก็จอดไม่ได้ต้องหาเกลียวเกลียวว่างให้เจ อ, อครับเกียวว่างเจอแล้วก็รักษาแม่มันออกไ ป, ไปให้มันไปที่อื่นให้มันไ่ต้องเกลียวว่างนั้นกลับาอาารถ้าพิจารณาไปถึงความมากงเราไปยังไงต่อ อ๋อไม่ได้พิจาณาไปถึงความว่าให้พิจารณาเพื่อปล่อยวางปล่อยวางลูกอย่าไป็นลูกกับเขาเอาอ น, น้จังทุกครั้งนะจ้าเมื่อกี้มีคนอยากจะถามปาัญหาไม่ทราบไปไหนแล้ว <c oughs> ที่ถามกระทาเลยสวดมนต์อ่าสวดมนต์ไม่นานคุณไปดีมอยู่ข้างล่างสวด้สวดน้ำลูกก็ได้ ที่บอกว่าให้สวดคาถานี้เราจะไม่ตกนรกใช่ไหมอืมคือการสวดนี้มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะให้ตกนรกหรือไม่ให้ตกนรกนะเหตุที่จะทําให้ตกนรกก็คือการทําบาปเช่นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมาอันนี้เป็นเหตุที่จะทําให้ไปตกนรก ถ้าสวดแล้วก็ไปทําบาปมันก็ไปตกนรกอยู่ดีที่ให้สวดก็เพื่อที่จะให้ใจสงบใจเย็นใจอิ่มใจพอคือให้ทําสมาธิการสวด น, นี้ก็เป็นการเจริญสติเรียกว่าธรรมานุสติคือคิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> บทสวดมนต์ต่างๆนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเรา <c oughs> อยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าใจของเราก็จะเย็นจะสบายจะสงบจะมีสมาธิจะไม่หิวจะไม่อยากได้อะไรถ้าพอไม่มีความหิวความอยากได้อะไรก็จะไม่มีความจาเป็นที่จะไปทำบาปนั่นเองคนที่ไปทำบาปก็เป็นเพราะว่าใจไม่อิ่มใจไม่สุขใจไม่สงบใจถูก ความโลกความอยากครอบงมจิตใจเห็นนู่นเห็นนี่ก็อยากได้พออยากแล้วถ้าไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่สุดจริตก็ไปหามาโดยวิธีทุตจริตก็คือการไปทำบาปนั่นเองดังนั้นถ้าสวดมวนต์แล้วจิตสงบจิตก็จะไม่ไปทำบาปได้แต่ถ้าสวดแล้ว ไม่สงบหรือ ว, ว่าสวดแบบนกแก้วโือสวดไปแต่ใจก็คิดเลื่อยเปื่อยคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ขณะที่สวดอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะใจจะไม่สงบใจก็จะหิวจะอยากพอหยุดสวดก็จะไปทำตามความหิวทำตามความอยากก็อาจจะไปทำบาปได้ถ้าทำบาปได้ก็ก็ไปตกลงโลกได้ ดัง น, นั้นมันไม่ได้อยู่ที่การสวดอย่างเดียวการสวดนี่เป็นเพียงเหตุที่จะทำให้เราไม่ไปทำบาปแต่ถ้าเราไม่ถ้าเราหยุดการกระทำบาปไม่ได้เช่นพระเทวทัศน์นี่ได้บวชเป็นพระเป็นเวลาต้องหลายสิบปีแต่ใจของท่านก็ยังไม่สงบหรือสงบแต่ก็ยังไม่สามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ พอปล่อยให้ความอยากออกมามีอิทธิพลอยากได้เป็นผู้อยากจะเป็นผู้รักษาอาการแทนพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าพอประกาศทูลขอพุทธานุญาตแล้วไม่ทรงอนุญาตก็เกิดความโกรธขึ้นมาก็พยายามปรงพรชนเพื่อที่จะได้ตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าแทนต่อไป อันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถควบคุมความอยากไม่สามารถหยุดความการกระทาบาปได้พอตายไปก็เลยต้องไปตกนรกในขุมที่ลึกะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าการสวดอย่างเดียวจะเป็นประกันไทยจะรับประกันว่าไม่ไปตกนรก สิ่งที่จะรับประกันไม่ให้เราไปตกน้กก็คือศีลรักษาศีลห้าให้ได้เถอะถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วรับประกันได้ไม่ตนกนรกจะสวดไม่สวดไม่เป็นปัญหาอะไรสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ถ้าสวดมันก็อาจจะช่วยทำให้รักษาศีลห้าง่ายขึ้นเพราะว่าใจลดความอยากได้ทำให้ความอยากเบาบางหรืออ่อนกำลังลงได้ มันก็จะไม่มากดดนกันจิตใจให้ไปทำบาปแต่ถ้าไม่ได้สวนนี่ก็อาจจะทำให้ทำบาปง่ายเพราะความอยากไม่ได้รับการาบรรเทาไม่ได้รับการลดลงก็จะกดดนกันจิตใจให้ไปทาบาปทำกรรมต่อไปดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการกระทาแต่ละอย่างนี้มีผลอย่างไร เราถึงจะเข้าใจเราถึงจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องบางทีเขาบอกว่าให้สวดไปแล้วไม่ตงนรกก็สวดไปแล้วเดี๋ยวก็ออกไปกินเหล้าต่อเดี๋ยวก็ไปลักขโมยไปประพืชผิดอะวรนี้เพราะพอไม่มีใครบอกว่าอทําบาปแล้วจะตกนรกมีแต่บอกว่าถ้าไม่อยากจะตกนรกก็ให้สวดคาถานี้ไปก็สบายถ้ายิ่งคาถาสั้นๆห้านาทีสวดเสร็จก็สบายแล้วนี่ <c oughs> มีมีประการภัยแล้วทีนี้ก็ไปทำบาป <c oughs> ทำกรรมได้แล้วสิออมันไม่ได้นะ เ, ออเหตุที่จะทำให้เราไปไปอบายก็คือการไม่รักษาศีลในท้ายศีลท่านแสดงไว้ว่าซี่เลนะสุขติยันติศีล เ, เป็นเหตุที่จะทาให้ไปเกิดในสุขตออิสุขติก็คือภพของเทวดาภพของมนุษย์ภพของอริยะเจ้า เรสุขติ่านพบของเดรัชานท้องเปรต น, นี่เขาเรียกว่าอาบายพวกนี้ไปเพราะทําบาปคือถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัชานทําบาปเพราะโลภอยากได้มากๆก็ไปเป็นเปรตทาบาปเพราะความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายทาบาปเพราะ ความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองก็จะไปนรกอย่างพระเทวทัตนี้ทําบาปด้วยความโกรธแค้นโกรธเคืองโกรธแค้นพระพุทธเจ้าที่ไม่ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าก็เลยพยายามปรงพระชนถึงสามครั้งด้วยกันอันนี้ก็ไปไปเป็น <c oughs> ไปไปตกนรก ส่วนอํามาตย์ที่ในในในเรื่องหนึ่งที่มีพระเจ้าแผ่นดินท่านมีมีในายามค่ําคืนท่านบอกว่ามีเสียงอะไรมาร้องโหยหวนก็กุไม่ทราบก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่วาเป็นอะไรกันพระพธเจ้าก็บอกว่าเป็นอํามาตย์ที่ตอนนี้มาเป็นเปรตเพราะว่าสมัยที่มีชีวิตอยู่รับใช้พระองค์ ไม่ใช่ชาตินี้แต่ชาติในในอดีตพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วแล้วเปรตตัวนี้เป็นอมาตะองค์ได้เป็นได้สั่งให้อมมตะนี้เอาทรัพย์ไปทำบุญแล้วอมตะนี้จะยักยอกทรัพย์บางส่วนไว้เป็นของตนเอง mm hmm. นี่ก็เรียกว่าทำบาปด้วยความโลภอยากได้เงินของผู้อื่นเกิดลยยักยอกทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดินที่ให้ไปทาซื้อของทาบุญ แทนที่จะซื้อทั้งหมดก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งไว้สําหรับเป็นของตัวเองเนี่ยพอตายไปท่านก็บอกว่าไปตกนรกออกจากนรกมาก็มาเป็นเปรตแล้วพอเป็นเปรตก็นึกถึงพระเจ้าแผ่นดินเจ้านายเก่าก็มาขอส่วนบุญก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทําบุญอุทิศให้กับเขาไปนี่คือทําบาปด้วยความโลภความย ถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้เช่นสัตว์เดรัจฉานนี่เขาไม่รู้ว่าบาปแต่เขาต้องฆ่าต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อความอยู่รอดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเดรัจฉานมนุษย์ที่ไม่รู้ว่าธรรมะธรรมชีพค้าขายข่าวัวข่าควายข่าเป็ดข่าไก่ก็แบบเดียวกันเขาก็ไม่รู้ว่าบาปเขาคิดว่าเป็นอาชีพหรือแม้แต่ผู้ที่รักษาประเทศชาติเช่นตำรวจทหารนี่ก็เหมือนกัน ถ้าไปฆ่าผู้อื่นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าบาปเหมือนกันก็เป็นเดรัฉ า, าได้เหมือนกันเพราะทำไปด้วยความไม่รู้ว่าบาปว่ามีผลที่จะตามมาที่ว่าทำตามหน้าที่แล้วไม่บาปทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ก็ลักษณะแบบเดียวกับเวราาัฉาน อาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่หนักเหมือนกับเดลฉานาก็ได้เพราะว่าไม่ได้ทำตลอดเวลาบางคนก็ไม่ได้ทำเลยรับราชการมาจนกเกษียณก็ไม่เคยไปฆ่าใครเลยอันนี้ก็จะไม่มีผลบาปตามมาที่ไทยวันนี้เขามีธรรมเนียมทาบุญอุทิศเพื่อแผ่นดินไทยเขาก็ทำบุญที่ให้แกวีรับรวจนักรบทั้งหลาย ที่ออกรบทําสงครามปกป้องรักษาประเทศว่าเวลาเขาตายไปนี่เขาก็มีโอกาสที่จะเป็นเกิดเป็นเปรได้ไปเป็นไปเกิดในอบายได้ดราะฉะนั้นผู้ที่มีชีวิตอยู่ผู้ที่มีสํานึกในบุญคุณของบุคคลเหล่านี้ก็ทําบุญอุทิศให้แก่เขาไป ดังนั้นการจะไปไหนเมื่อไม่ไปไหนอยู่ที่การทำบาปหรือไม่ทำบาปไม่ได้อยู่ที่การสวดเพลงอย่างเดียวแล้วการสวดนี่ก็ต้องอยู่ที่ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลคือสวดแล้วจิตสงบเป็นสมาธิหรือไม่ถ้าสวดแล้วสงบเป็นสมาธิตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมได้ เรามีใครถามอีกไหมวันนี้ทางอินเทอร์เนต็ตมีหรือเปล่าครับพระอาจารย์ครั บ, รบต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณปัทุมนะครับปฏิบัติธรรมอยู่เป็นปกติช่วงหลังๆปฏิบัติอ่อนลงบ้างตอนนี้รู้สึกเบื่อท้อกับชีวิตปัจจุบันทั้งที่ก็ดาเนินไปตามปกติขอพระอาจารย์เมตตา คือผลจะเกิดก็เกิดจากการปฏิบัติถ้าปฏิบัติมันก็จะมีผลถ้าไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่มีผลเหมือนกับการขับรถถ้าเราเหยียบคันเร่งรถมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าได้ถ้าเราผ่อนคันเร่งหรือปล่อยคันเร่งรถก็จะวิ่งช้าลงและหยุดไปได้ดังนั้ น, นการปฏิบัติของเราก็ต้องสม่ำเสมอต้องพยายามฝืน เวลาไม่อยากจะทำก็ต้องฝืนทให้คิดว่าเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารบางวันเราก็ไม่อยากจะรับประทานอาหารแต่เราก็ไม่กล้าหยุดรับประทานอาหารเพราะเรากลัวความหิวที่จะตามมาฉันใดก็ให้เราคิดอย่างนั้นในเรื่องของการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติใจของเราก็จะหิวจะเกิดกิเลสตัณหาเพิ่มมากขึ้นถ้าเราปฏิบัติ ใจของเราก็จะอิ่มมีอาหารหล่อเลี้ยงกิเลสตัณหาก็จะไม่มารบกวนเรามากไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเรามากแล้วกิเลสตัณหาก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆตามลำดับของการปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าเรารับประทานแบบไม่หยุดเดี๋ยวเราก็อิ่มเองถ้าเราเลือประทานคำสองคาแล้วก็ไม่รับประทานไม่มีกาลังจิตกาลังใจจะรับประทาน เดี๋ยวก็จะหิวหรือยังไม่อิ่มดังนั้นขอให้เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการให้อาหารกับเราให้ความอิ่มความสุขกับเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะหิวเราก็ต้องพยายามปฏิบัติตามเวลาของของเราที่เราได้กําหนดเอาไว้และให้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆให้เราคิดว่า เรื่องของความท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังจิตกำลังใจนี้ก็เป็นเรื่องของอนิจจังเหมือนกันคือมันก็ไม่ถาวรมันเป็นอารมณ์ชั่วคราวบางครั้งบางเวลามีเหตุการณ์อะไรต่างๆมารุมเล้าจิตใจ <c oughs> ก็อาจจะทำให้ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติได้แต่ถ้าเราพยายามฝืนทำไปตามหน้าที่ตามเวลาของเรา ถึงเวลานั่งก็นั่งถึงเวลาทำอะไรก็ทำไปจะได้ผลไม่ได้ผลก็อย่างน้อยขอให้รักษาความสม่าเสมอเอาไว้แล้วเราจะไม่ถดถอยแล้วเราก็จะขยับต่อไปได้เวลาที่อารมณ์ท้อแท้เบื่อหน่ายนี้มันหายไปก็จะมีอารมณ์ใหม่เข้ามาแทนที่ได้มีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาได้ขอให้เราคิดว่าการปฏิบัติของเราเหมือนกับการ ขี่จักรยานขึ้นเขาลงเขาก็แล้วกันช่วงที่ขึ้นเขาก็ต้องยากหน่อยเหนื่อยหน่อ ย, อยแต่เราก็ต้องพยายามถีบไปเรื่อยๆให้มันขึ้นไปถึงยอดเขาให้ได้พอถึงยอดเขาแล้วเดี๋ยวมันก็ลงเนินนะทีนี้ก็ลงเขาก็เป็นช่วงสบายแล้วจิตใจของเราก็เป็นอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็เป็นอย่างนี้เวลาปฏิบัติบางช่วงมันรู้สึกยากแสนยากแล้วบางบางช่วงมันก็รู้สึกว่าง่ายแสนง่าย มันเป็นพักๆไปดังนั้นเวลายากก็ต้องพยายามอดทนพยายามทำต่อไปอย่าไปเครียดกับผลมากจนเกินไปคือทำแล้วจะได้ผลมากผลน้อยก็อย่าไปวิตกกังวลขอให้กังวลอยู่ตรงที่ว่าทำหรือไม่ทำถ้าไม่ทำแล้วต้องรีบต้องพยายามทำให้ได้เพราะว่าถ้ามันไม่ทำบ่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะ แก้ยากมันจะไม่อยากทำไปเรื่อยๆความไม่อยากทำจะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทำตามความไม่อยากทำแต่ทุกครั้งที่มันไม่อยากทำเราก็บังคับมันฝืนมันทำไปได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรเช่เวลาต้องนั่งก็นั่งไปนั่งไม่สงบก็นั่งเฉยๆนั่งนับนิ้วนับหนึ่งสองสามหรือนั่งอะไรก็ได้อย่าไปทาอย่างอื่น แล้วเดียวมันก็จะกลับมาเป็นปกติได้พอกลับมาเป็นปกติก็จะนั่งตามปกติได้แล้วถ้าเป็นช่วงที่มีกาลังจิตกาลังใจก็จะปฏิบัติได้เข้มข้นได้ได้มากขึ้นายแล้วเราจะไม่ต้องเสียเวลาเดินหน้าถอยหลังอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับเราถอยหลังแล้วงั้นอย่างน้อยก็ต้องรักษาเอ่อ จุดยืนของเราไว้อย่าให้ถอยหลังเคยปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็ต้องพยายามปฏิบัติเท่านั้นต่อไปถึงจะไม่ถอยหลังถ้าปฏิบัติน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับเดินถอยหลังไปนั่นเองนี่คือวิธีที่เราจะต้องใช้ในการให้กำลังใจกับตัวเราเองว่าอารมณ์นี้มันเป็นของชั่วคราวให้คิดว่าถ้าเราไม่ทา ความเสียหายมันจะมากกว่ากว่าการทําทําไปถึงแม้ว่าจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกลําบากยากเย็นอะไรก็ไม่เป็นไรมองไปว่าเมื่อก่อนเราทําได้ทําไมวันนี้เราจะทําไม่ได้เมื่อวานนี้เราทําได้วันนี้ทำทำไมจะทําไม่ได้เราทํามาต้องหลายครั้งแล้วทําไมวันนี้จะทําไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะทําได้แล้วเราก็จะ ผ่านความรู้สึกที่ไม่ดีนี้ไปได้เพราะว่าความรู้สึกนี้มันก็เป็นอ น, นิจจังเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมีเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ดับไปได้อย่าให้มันมีอิทธิพลชุดลากให้เราเดินถอยหลังเท่านั้นเองอย่างน้อยก็ขอให้รักษาสิ่งที่เราได้สร้างไว้แล้วไม่ให้หดหายไปด้วยการทาต่อไปไปทําเท่าไหร่ก็ทําต่อไป ถึงเวลานั่งก็นั่งถึงเวลาเดินจงกรมก็เดินถึงเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ฟังแล้วเราก็จะได้ไม่เสียเวลาเดินถอยหลังคําถามข้อต่อไปจากคุณพาเช็ดเท้านะครับขอความเมตตาอธิบายคําว่าปัญญาพุท ธ, ธะหมายความว่าอย่างไรเราก็ ไม่รู้เหมือนกันคือรู้คำว่าปัญญาก็คือความรู้ความฉลาดพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ถ้าปัญญาพุทธะก็จะเรียกว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือความรู้ในอริยสัจสี่พุทธปัญญาคือปัญญาเราอาจจะแยกเป็นสองส่วนก็นได้โลกิยาปัญญากับพุทธะพุทธปัญญา โลกิยาปัญญาก็คือความรู้ในการหาเงินหาทองหาลาบยศสรลเสริจหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้ก็จะถือว่าเป็นโลกิยะปัญญาก็ได้บางคนฉลาดเก่งหาเงินหาทองได้มากหาตาแหน่งได้เป็นนายกได้เป็นอะไรได้แต่อันนี้ เ, นเรียกว่าเป็นโลกิยะปัญญาปัญญาที่ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือ ไม่สามารถเอาตัวเองหลอดพ้นจากความทุกข์ใจได้จะเป็นมหาเศรษฐีจะเป็นนายกเลิศสมรีจะเป็นเจ้านายใหญ่โตระดับไหนก็ตามก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของความทุกข์ใจอยู่ไม่สามารถที่จะยกตนเองให้อยู่เหนือความทุกข์ใจได้อันนี้เรียกว่าโลกิยะปัญญาแต่ผู้ที่มีพุทธปัญญานี่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจ เอาตัวรอดนอดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายนี่เองท่านเหล่านี้ท่านมีพุทธปัญญาท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์ว่าเกิดจากสมุทัยความอยากต่างๆเห็นการดับของความทุกข์ว่าเกิดจากสติปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเกิดมีดับเป็นของชั่วคราวเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะไปควบคุมบังครับให้อยู่กับเราให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้ใจจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนี่เรียกว่าพุทธปัญญาอย่างนั้นอย่าไปหลงกับโลกิยะปัญญาที่เขา ปุสาเริ่มเรียนกันแทบเป็นแทบตายได้เป็นยาตีโทเอกอันนี้เป็นปัญญาความรู้ในการหาเงินหาทองหาราบหายศแต่ไม่ได้เป็นปัญญาในการดับความทุกข์ใจถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจก็อย่าไปสนใจกับการเรียนทางโลกียสัญญาให้เสียเวลาไปเปล่า ทยางอาตมาก็ได้ปริญญาตรีมาได้มาแล้วก็ไม่เคยเออกมาใช้เพราะว่าไม่ต้องการที่จะมีราบยศสรรเสริญต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เลยโชคดีได้ไปพบกับพุทธปัญญาได้อ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดศรัทธาที่จะน้อมนําามาปฏิบัติอันนี้เป็นปัญญาพุทธปัญญา เป็นปัญญาที่จะทําให้เราไม่ต้องทุกข์กับอะไรไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับการสรรเสริญเยนยอหรือนินทาว่าหัว่ากล่าวต่างๆไม่เดือดร้อนกับการเจริญของราบยศสรรเสริญสุขหรือความเสื่อมของราบยศสรรเสริญสุขจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่คือพุทธปัญญา ที่พวกเรามากันไววันนี้ก็มาหาพุทธปัญญานี่ส่วนที่ได้แสดงไว้วันนี้ก็คือหัวใจของพุทธปัญญาก็คือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นหัวใจที่จะทำให้เห็นอริยสัจสี่ทำให้ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาภายในใจมีธรรมธรรมโมปดีโปแสงสว่างแห่งธรรม เกิดจากการเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาคำถามข้อต่อไปจากคุณวีระชัยนะครับ <c oughs> มีคนบอกแฟนผมว่ามีดวงจิตอยากให้ผมกวดน้ำไปให้ <c oughs> ผมจึงตั้งจิตลงที่คำบริกรรมพุทโทธธัมโมสังโฆประมาณหนึ่งนาทีจิตสงบแล้วจึงตั้งจิตอุทิศผลบุญให้แก่ผู้ที่รอรับ พอจิตจบคำอุทิศปรากฏว่าเกิดอาการขนลุกจนถึงเส้นผมลุกสู้ขึ้นอย่างรุนแรงแบบรู้สึกได้และเกิดอาการปิติใจอย่างมากผมเลยคิดว่าผลบุญที่ส่งไปเขาคงได้รับแล้วหรือไม่ก็รับทราบแล้วจึงบอกแฟนไปว่าผมอุทิศไปให้เขาแล้วนะคำถามอยากถามพระอาจารย์ ว่าอาการขนลุกทั้งล่างจนถึงเส้นผมแล้วเกิดปิติสุขขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกคืออะไรและที่ผมคิดว่าเขาที่รอรับบุญอุทิศรับทราบแล้วและได้รับผลบุญอุทิศแล้วนั้นถูกไหมคือผู้รับนี่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน <c oughs> เขาไม่ได้ตอบมาว่าเขาได้รับแล้วเพราะนั้นเราอย่าไปคาดคะเน เขารับหรือไม่รับนั่นก็เราไม่รู้ได้แต่สิ่งที่เรารู้ชัดๆก็อยู่ว่าเรามีความสุขใจมีวิติเพราะเกิดจากความเมตตาของเราเราแผ่เมตตาเราจเจริญเมตตาธรรมขึ้นมาเมตตานี้จะทำให้เกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจนี่คือผลของการที่เรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นส่วนผู้อื่นนั้นเขาจะได้รับ สิ่งที่เราส่งไปให้เขาหรือเปล่าร้านี้เราก็ไม่รู้ได้ถ้าเขาไม่มาบอกเราก็ไม่สำคัญอะไรเพราะการกระทาทั้งหมดนี้เป้าหมายใหญ่ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเราที่ให้เราเราช่วยเหลือคนอื่นนี้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเราเราจะเขาจะได้รับประโยชน์แต่เราต่างหากที่จะได้รับประโยชน์มากกว่าเพราะเราจิตใจของเราจะดีขึ้นจะมีความสุขมากขึ้น คำถามข้อต่อไปจากคุณต้นน้ำนะครับเมื่อฝึกปฏิบัติพอเข้าใจขันห้าแล้วนำสั่งโยต์เสมาเปรียบเทียบทีละข้อละข้อและปฏิบัติตามใช้ได้ไหมครับคือขันห้าเนี่ยมันอยู่แค่ข้อแรกข้อเดียวนั่นเองคือข้อสกายรทิฐิใกล้พิจารณาขันห้าให้ให้้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะละสกายทิฏฐิได้สกายาทิฏฐินี้จะเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราจะอยู่กับเราไปตลอดเราก็เลยเกิดความผูกพันเกิดความยึดติดเวลาขันห้าเสื่อมไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าขันห้านี้ก็ต้องมีวันเสื่อมหมดไปเรา ก, ก็เตรียมพร้อมรับกับความเสื่อมของขันห้า เวลาขันห้าเสี่ยมเราก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของขันห้าเช่นเวลาร่างกายของเราแก่เราก็จะไม่ทุกข์เวลาเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายขึ้นมาเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่ไปยึดไปติดไปอยากให้เขาหายไปเขาเกิดก็ต้องรับเขาจะอยู่ก็ต้องอยู่กับเขาไปร่างกายจะจากไปก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาจากไปอย่างนี้ก็จะละสักรรยายทิฏฐิได้ ถ้าเห็นว่าขันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นสังโยชน์ข้อแรกข้อที่หนึ่งั่นเองส่วนอีก9ข้อนั้นก็ต้องก็ต้องปฏิบัติไปแต่ละข้อตามตามเหมือนกับโจทย์ที่เราทําเวลาเราทําข้อสอบข้อสอบมีอยู่10ข้อไม่ใช่ตอบข้อสอบได้ข้อหนึงแล้วอีก9ข้อก็จะจะจะได้หมดเพราะคำถามมันไม่เหมือนกัน ข้อที่สองก็คือความลังเลยสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าอย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นอริยสัจสี่ที่เกิดจากการประยุทธ์ติในขันห้าความอยากในขันห้าอันนี้ก็จะเห็นธรรมถ้าเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็คือ พระสงฆ์นี่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะไม่สงสัยว่าพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์มีหรือไม่มีจริงหรือไม่เป็นผลผลผลต่อเนื่องจากการที่ได้บรรลุข้อที่หนึ่งทข้อสอบข้อที่หนึ่งได้ก็จะเห็นว่าคำสอนพุทธเจ้านี้เป็นจริงทำแล้วเอามาใช้ได้อย่างจริงถ้ามีคา ถ้าคําสอนเป็นของจริงคนสอนก็ต้องเป็นของจริงเหมือนกันใช่ไหมแล้วคนที่เอามาปฏิบัติได้ก็เป็นคนที่ได้รับผลก็เป็นของจริงเหมือนกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยหายสงสัยไปไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียเพื่อไปยืนยันอีกต่อไปยืนยันมันตรงเนี้ตรงที่ละสกายัตฐิให้ได้จะละได้ก็ต้องละด้วยวิปัสนาพราภาวนาสัมถาภาวนานี่ แล้วข้อที่สามมันก็จะละต่อไปได้เพราะว่ามันจะเห็นว่าคนเราที่เราทุกข์ก็ทุกข์เพราะว่าเราไม่ชอบความเสื่อมไม่อยากให้อยากให้สิ่งต่างๆที่เป็นของเราไม่เสื่อมอยากให้ร่างกายเราไม่เสื่อมอยากให้ทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองคนที่เรารักอะไรต่างๆ่างอันนี้ไม่เสื่อมจากเราไปแต่เมื่อจะเริยนวิปัสสนาเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสื่อมแล้วความทุกข์ของเรา เกิดจากความอยากให้เขาเสื <S an> ่อมไม่ให้เขาเสื่อมถ้าเราหยุดความอยากได้ปล่อยเขาเสื่อมได้เราก็จะไม่ทุกข์ใจทีนี้เราก็รู้ว่าความทุกข์ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราไม่ได้อยู่ที่ความเสื่อมของสิ่งต่างๆความเสื่อมของสิ่งต่างๆนี้เราไปยับยั้งไม่ได้มันจะเสื่อมมันก็จะต้องเสื่อม เจนเสียมราบเสียมยศเมื่อเช้านี้ก็มีคนมาขอพอรว่าปีนี้ไม่ดีเลยปีชงผมไม่อยู่ชงไม่ชงหละมันอยู่ที่มันเรื่องของปกติของของสิ่งต่างๆในโลกนี้มีเจริญมันมีเสื่อมมีขึ้นมีลงเราอย่าไปทุกข์กับมัน ก, จก็จบเนี่ยไม่ต้องมาขอพอรให้เสียเวลาถ้ามันเห็นอริยสัจสี่มันก็ไม่ต้องขอพอรเการมาขอพอรนี้ก็เรียกว่าเป็นสีรับพัทธาบาลมาเนี่ย เราไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจ ไ, ไพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ขอพรพระเจ้าสอนให้ภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมคําว่าศีลับพระตาปรามา ก, ก็คือการกระทําสิ่งพิธีกรรมนอกนอกเหนอืนอนอกคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศีลับพระตาทั้งนั้นอันไหนที่พระเจ้าไม่สอนแล้วเราไปทําเนี่เป็นศีลรัหรือทำอะไรบ้างที่พวกเราที่พระเจ้าไม่สอน เอาผ้ามาห้อยคอนี่กไ็ไไดสอนคขามคถามข้อต่อไปนะครับ <c oughs> จากคุณมาฟ้านะครับคืออยู่ๆหนูก็นึกอยากลองเข้าไปในใจตัวเองก็เลยหลับตาเพ่งลงไปในอกเฉยๆตั้งแต่ช่วงประมาณตีสามกว่า ไม่ได้กำหนดลมหายใจไม่ทราบว่านานเท่าไรแต่มันเหมือนทุกอย่างเงียบหายไปหมดเลยแต่ยังรู้ตัวแค่ไม่เห็นลูกไม่เห็นภาพไม่มีอะไรเลยเสียงก็ไม่ได้ยินเหมือนผิวน้ำอยู่นิ่งๆไม่มีคลื่นไม่มีความเคลื่อนไหวแค่รู้แต่ไม่มีความรู้สึกไม่มีภาวะอะไรมันนิ่งยาวไปเลยแต่ยังมีสติมารับโทรศัพท์ในตอนเช้าได้ ทั้งๆ ท, ที่มันปิดเสียงไว้คือพอลืมตาขึ้นมามือก็เลื่อนไปหยิบโทรศัพท์มาถือไว้แล้วเหมือนมันแค่รู้หนูอธิบายไม่ค่อยถูกว่าเป็นพาวังก็ไม่เหมือนที่เคยเป็นจะว่าหลับแต่มันก็รู้ตัวอยู่ไม่ได้วุบหลับวูบตื่นเพราะมันรู้ว่าแค่อยู่นิ่งๆหนูคิดว่าอาจจะฝัน แต่มันก็เหมือนยังไม่ได้นอนเลยทั้งคืนแต่ไม่ง่วงสดชื่นผิดปกติไม่ได้เพียเหมือนช่วงที่นอนน้อยๆหนูคิดว่าหนูไม่อยากจะเคยนิ่งขนาดนี้มาก่อนหนูรู้สึกว่าชอบแต่หนูว่าหนูไม่รู้จักมันเลยอยากจะขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ว่าอาการเหล่านี้คืออะไรเจ้าคะเป็นอันตราย ต่อการปฏิบัติไหมและหนูไม่แน่ใจว่าหนูปฏิบัติถูกทางหรือไม่แล้วหนูควรแก้ไขยังไงเจ้าคะหนูกลัวจะหลงไปผิดทางไม่ผิดหล้วนั่นแหละคือความสงบเนีขอให้พยายามทําอย่างนั้นให้บ่อยๆให้มันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเวลาสงบเนี่ยมันจะว่างมันจะไม่มีอะไรให้รับรู้มันจะรู้สึกเฉยๆไม่มีความคิดทุ่งแตกอ น, นั้นแหละเรียกว่าความสงบ พยายามทำให้มันเข้าไปในจุดนั้นได้ให้ได้บ่อยๆให้มันชำนานแล้วเวลาออกมาก็ให้เจริญวิปัสนาให้พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของนอกกายหรือของที่เป็นเรือร่องกายเราหรือของที่อยู่ในใจว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาให้ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยาก ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วใจก็จะได้ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ <Okay. S 1> เวลาอยู่ในสมาธินั้นก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้มันว่างอย่างนั้นไปเรื่อยๆจน ก, กว่ามันจะถอนออกมาเองสลับทำกันไปทำวิปัสสนาแล้วเราก็หยุดเราก็กลับมาทำสมถะอันนี้ก็จะทาให การปฏิบัติของเราคืบหน้ามีความชานิชานาญมีความคล่องแคล่วว่องไวต่อไปปัญญาก็จะว่องไวจะรวดเร็วจะทัดกับกิเลสตัณหาทันกับสภาวะต่างๆเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะไม่เสียหลักจะนอดไม่หลุดปัญญาไหมคำถามข้อต่อไปจากคุณเกษรานะครับที่เขาว่าอยู่ในช่วงดวงตกมีเคาะ หมายถึงกรรมที่เราเคยทำไว้ตามมาส่งผลใช่ไหมแล้วควรปฏิบัติอย่างไรคือเหตุการณ์ข้ อ, ขอกรรมต่างๆนี่มันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันไม่ใช่จะเป็นเรื่องของกรรมเพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของภาวะต่างๆของธรรมชาติเช่นหิมะตกฝนตกน้าท่วมอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องของกรรม เดินลงไปล้วลื่นถลายหัวแตกล้มลงหัวแตกนี่มันก็ถ้าเป็นกรรมก็กรรมปัจจุบันคือไม่มีสติ <c oughs> อันนี้มันมันไม่ได้เป็นวิบากทั้งหมดเข้าใจไหมแต่ไม่ว่ามันจะเป็นสาเหตุอะไร <c oughs> ก็ช่างหัวมันขอให้เรารับกับมันให้ได้อะไรจะเกิดแล้วก็อย่าไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองอันนี้ปัญหาใหญ่ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไร สาเหตุมันเป็นอดีตถ้าจะหาก็เพื่อที่จะสอนตนเองให้แก้กันนี้ก็โอเคถ้าคิดว่าเป็นการทำบาปมาก็อย่าไปทำบาปต่อไปถ้าเป็นการไม่มีสติก็พยายามรักษาสติไว้ถ้าจะถ้าหาสาเหตุก็หาเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดข้อกรรมในโอกาสหน้า แต่ปัญหาหลักที่เราต้องการจะแก้ในปัจจุบันก็คืออย่าไปทุกข์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราข้อกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราให้มองไปในแง่ดีว่าทุกข์บ่มีปัญญาบ่เกิดนะให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้วเราก็จะได้กำไรแทนที่เราจะขาดทุนเราจะได้กำไรกับเหตุการณ์กับข้อกรรมต่างๆหรือให้มองว่าเป็นการพิสูจน์ว่าจิตใจเราการปฏิบัติของเรา ไปถึงขั้นไหนแล้วสอบผ่านหรือไม่นี่คือข้อสอบเวลาเจอความทุกข์เวลาเจอปัญหาต่างๆเวลาเจอเคราะกรรมต่างๆนั่นแหละเป็นข้อสอบของเราดูซิว่าเราจะหวั่นไหวเราจะวุ่นวายหรือเปล่าหรือเราจะเฉยอย่างยิ้มได้อย่างสบายอันนี้แหละคือ สิ่งที่เราควรจะให้ความสนใจอย่าไปสนใจว่าเป็นเคาะกรรมเป็นบาปมาทําจากทํานู่นทํานี่อะไรอย่าคิดที่มันเสียเวลานอกจากวิเคราะห์เพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นใหม่นั้นเองถ้าคิดว่าเป็นการทําบาปก็อย่าไปทําต่อไปนี้ถ้าคิดว่าเป็นการไม่มีสติก็ต้องพยายามรักษาสติไว้ให้ได้ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องสุวิสัยก็ช่วยไม่ได้ฉะนั้น หมาวิ่งตัดหน้ารถอย่างนี้เราไม่ได้ไปตั้งใจฆ่าเขา อ, อันนี้ก็มันเรื่องสุดวิสัยก็ช่วยไม่ได้ก็ทําใจให้เป็นอุเบกขาไว้เท่านั้นเองเราไม่มีเจตนาเราไม่มีความตั้งใจแต่มาเราเราก็อาจจะไปเจอเหตุสุดวิสัยก็ได้เราเดินข้ามถนนอาจจะโดนเข้าชนตายก็ได้เหมือนกันถ้าเราประมาท ถ, ถ้าเราไม่มีสติรีบร้อนอย่างนี้ อันนี้คือเรื่องที่เราครคิดเพื่อที่จะตรงแล้วก็รักษาใจเราไว้อย่างเดียวอย่าไปรักษาร่างกายร่างกายรักษาไงก็รักษาไม่ได้แต่ใจนี้รักษาได้รักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้คําถามข้อต่อไปจากคุณชัยลูกแม่หมีนะครับขอโอกาสถามว่าจิตยึดร่างกายว่าเป็นตนเป็นของตน แต่ในกรณีผมขนเล็บฟันหนังที่มันหลุดร่วงออกจากร่างกายมาแล้วทาไมจิตถึงวางเฉยไม่ได้มีอาการยึดเพราะว่ามันยึดไม่ได้สิมันแต่ยึดได้ถ้าผมร่วงนี่ถ้าห ย, ยุดมันได้ก็หยุดกันแล้วใช่ไหมแต่ย <c oughs> ี้มันหยุดไม่ได้จบไปใส่ไหมได้ก็ใส่ มันยึดงแต่ว่ามันมันยึดไม่ได้มันเห็นมันเห็นว่าเป็นอนัตตาเันแต่เห็นว่าเป็นบางส่วนเท่านั้นงไม่เห็นทั้งหมดก่อนทีิงร่างกายทุกส่วนมันเป็นอนัตตาหมดแต่เราเห็นแค่ส่วนที่เราเคยเห็นมันมันจากเราไปแล้วเราไม่เดือดร้อนกับมันเราก็เลยรับมันได้เช่นเวลาผมร่วงเราตัดผมเล็บตัดเล็บถอนฟันอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลามันต้องไปเราก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะว่า เรายังอยู่ร่างกายส่วนใหญ่ยังอยู่แต่ถ้าลองหัวใจนี่เขาต้องเอาออกไปเนี่ยดูซะว่าจะจ ะ, จะรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกว่าเหมือนกับเสียผมไปหรือเปล่า <c oughs> มันก็เป็นวายวาส่วนหนึ่งนะนีงแต่ถ้าไ ม, ไม่มีหัวใจแล้วมันทำอะไรตอบสนองตัาหาไม่ได้ <c oughs> ก็้าใจไหมพ <c oughs> อร่างกายไม่สามารถตอบสนองตัาหาได้มันถึงจะทุกข์แต่เรื่องผมนี่มันถึงแม้จะผมจะร่วงไปจะ มันก็ยังทำตามตันหาได้อยู่มันก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนข้อต่อไปจะคุณกรหนกสีนะครับคนเฒ่าคนแก่มักพูดว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมนั้นถูกต้องไหมแต่ลูกคิดแย้งในใจว่าคนเราเกิดมาเป็นเพราะตันหาความอยากของตัวเองมากกว่าแต่เมื่อเกิดมาแล้วกรรมนั่นเป็นตัวกำหนด ให้เกิดมาเป็นอะไรและในสภาพไหนแต่สาเหตุการเกิดมันมาจากตัญหาของพวกเรานั่นเองใช่ไหมตอนริงพบของมนุษย์นี้เป็นพบที่สร้างบุญสร้างบาปมากกว่าพบอื่นนี่เป็นที่ไปรับผลบุญผลบาปกันเช่นเทวดาพรมนี่เป็นที่ไปรับผลผลบุญส่วนอบายนี่เป็นเป็นที่ไปรับผลบาป แต่การเป็นมนุษย์ก็มีการรับผลบุญผลบาปเหมือนกันแต่ก็เป็นที่สร้างบุญสร้างบาปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นที่สร้างบุญสร้างบาปเพราะเราสร้างกันทุกวันตื่นขึ้นมาเราก็คิดกันละคิดไปในทางไหนมันก็เป็นบุญเป็นบาปได้แล้วพูดก็เป็นบุญเป็นบาปได้แล้วทำก็เป็นบุญเป็นบาปได้ดังนั้นมนุษย์นี้เป็นภพที่ทำทำบุญทำบาปมากกว่าการรับผลบุญผลบาป แต่ก็ยังมีผลบุญผลบาปเหมือนกันแต่พระบุบนี้แทบจะไม่ได้ไม่ได้สร้างบุญสร้างบาปเลยจะเป็นที่ไปรับผลบุญผลบาปเพียงอย่างเดียวคำถามข้อสุดท้ายจากท่านเดียวกันนะครับ<ๆ>การที่เข้ามาอยู่ในที่ดินผู้อื่นโดยเจตนาเพื่อครอบครองปลรปักนั้นถึงแม้ถูกกฎหมายในทางโลก และได้เสรียึดที่ดินเป็นของตัวเองโดยถูกกฎหมายแต่ในทางธรรมถูกต้องหรือไม่คะถือว่าเป็นการลักขโมยหรือไม่ก็การเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุ ญ, ญาตนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบาปข้อที่สองอาินาการลักทรัพย์เจ้าของต้องยินยอมต้องอนุญาตแต่ทางโลกทางกฎหมายเขาอาจจะ ไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายจบแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับาอานารอก็ดีทางเรามีอะไรจะถามบ้างไหม่ามมาที่ผ่านมานะคะข้อที่หนึ่งเวลาทําสมาธิเมื่อจิตสงบคือเกิดจากหนึ่งไม่มีเวทนาข้อที่สองจิตสงบ จิตสงบเพะว่าข้ามเวทนาได้ทีนี้อีกข้อที่สองเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเลยอยากขอใบของท่านอาจารย์ะคะ่ะข้ามเวทนาเลยก็ต้องใช้ใช้สติ <c oughs> บริกรรมพุทธโธไป <c oughs> วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขงาาังแล้วนะแต่ต้องอยู่กับเขาฮะต้องอย่าไปอยากให้เขาหาย ว่าความที่นั่งไม่ได้ทนไม่ได้ไม่ใช่ทุกขเวทนาแต่ทุกในอริยสัจทุกที่เกิดจากความอยากถ้าเราหยุดความอยากหยุดความทุกที่เกิดจากความอยากได้ทุกขเวทนาก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่กับเขาได้เนี่เราต้องแยกย่าให้เห็นว่าขณะที่เกิดทุกขเวทนานี้เกิดทุกในอริยสัจด้วยคือทุกที่เกิดจากสมุทัยความอยากให้ทุกขเวทนาหายไป เราต้องหยุดตัวนี้ให้ได้ถ้าหยุดตัวนี้ได้อ้าวมันทุกขเวทนาจะเจ็บก็เจ็บไปเหมือนหมอจะฉีดยาก็ปล่อยให้ฉีดไปบางคนนี่กลัวจกนกระทั่งไม่กล้าให้ฉีดไม่ยอมให้ฉีดอันนั้นเพราะทนความทุกข์ใจไม่ได้ใจมันทุกข์มันไม่ยอมรับเข็มฉีดยาไม่ยอมรับความเจ็บแต่ถ้าเรายอมรับความเจ็บว่าร่างกายจะเจ็บไงก็ปล่อยมันเจ็บไป นั ze, ่งเล่นไพ่นั่งคืนยังนั่งเล่นได้นั่งแค่นี้มันจะให้มันจะตายให้มันรู้ไปใช่ไหมเอีจะนั่งดูละครนั่งคืนเนนั่งดูได้นะฮะสอนมันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็หยุดความอยากอยากให้ความเจ็บหายไปทนกับความเจ็บได้พอทนี้ครับความเจ็บของร่างกายได้ไม่ไม่มีความอยากที่จะให้ความอยากของไม่มีความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปความทุก ธ ร, รมานใจก็หายไปใจก็เบาเยน็นสบายอยู่กับความเจ็บได้ข้ามเวทนาไปได้เราจะข้ามไปได้ทุกครั้งด้วยต่อไปถ้าเราข้ามด้วยปัญญาต่อไปเจ็บใข้ได้ป่วยก็กินยาก็ได้ไม่กินยาก็ได้ยาแก้ปวดนี่ไม่สำคัญเลยกินก็ได้ไม่กินก็ได้ใจไม่เดือดความเจ็บของร่างกายมันไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บของใจ ในเมื่อเราสามารถควบคุมความเจ็บของใจได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้ความเจ็บของร่างกายก็เป็นส่วนย่อยอยู่กับมันได้นี่เป็นคถามต่อเนี่งนะคะถ้าเก็บเพลิงร่องจิตที่สงบสงบรวมเข้าไปโดยที่เหมือนตัวผู้มันไม่เด่นชัดนะคะคือเหมือนว่ามันมันรเข้าไปหวังต่อนะคะแต่มันสงบระยะหนึงมันเหมือกายหายใจหายแต่นี้มันวุบเข้าไปอะ ทีนมันรู้สึกตัวที่มันสะดุ้งแบบสะดุ้ง่ะมันอาจจะหลับมากกว่าอสับนถ้าสะดุ้งแรงมันหลับแต่อนี่มัสะงนี่มันมีรู้เอนเราไปอยู่อีกที่นึงแล้วนั่นแหละมันฝันด้มันหลับฝันแต่ความรสว่ามันไปตรงนั้นชักมากเลยนะคะตรงที่ไปนะถ้าป็นสงบจริงๆมันไม่สะดุ้งอ่ะมันจะรู้ตลอดเวลารู้สึกตัวตลอดเวลา รูเหมือนการดิ่งลงเหวแล้วก็นิ่งแล้วก็สนอกบเย็นสบายมันจะไม่มีขาดตอนเรื่องของความรู้รู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนนั่งแล้ฝันไปใช่ไหมอาหับแล้วฝันไปหลั บ, ลบสกงกหลับไปแล้วก็ฝันไปแล้บบวมันรู้สึกตัวทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหตุตอนนั้นที่ความรู้สึกนันคือมัเราไม่อยู่ที่นี่เนี่ยมันก็เลยก็ใช่มันฝันเลยมันจะอยู่ได้ไง คามยิงสมาธิกับความฝันมันก็คล้ายคึนกันเราจะเฉพาะสมาธิที่มีนิมิตต่างๆเลยอย่างคุณแม่แก้วที่แกนั่งสมาธิข้างแรกแล้วจิตใจก็สงบแล้วก็ไปปรากฏเห็นนิมิตต่างๆแกก็คิดว่าแกฝันแต่ตอนเช้าก็ไปเล่าให้หลวงปู่บ้านฟังหลวงปู่บอกให้ไม่ใช่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ฝันอันนี้เป็นนิมิตของคุณอาจจะเป็นนิมิตก็ได้ไมั้ง <laughs> แต่ถ้ามันสะดุ้งนี่มันน่าจะไม่ใช่นิมิตละเหมือนคนสะดุ้งตื่นเนี่ยโอเคนะอ่าอย่างนั้นก็เทว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้นำในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอ ท ไ, ไม่ได้กับอีกจิตหนึ่งที่ว่าจิตมันลมรวัง้ให้เทียบว่ามันควรจะยังไงเพื่อจิตรมรวังด้วยกําลังเขาติตนี้มันก็จะต้องใช้ใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆมันจะยังมีความมันยังไม่มันยังไม่ผ่านทุกขเวทนาจะผ่านทุกขเวทนาได้ต้องผ่านด้วยปัญญาพือมันจะไม่หวั่นไหวไม่กลัวความเจ็บอันนี้ยังกลัวอยู่ทุกครั้งที่เจ็บก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธ ถ้าดึงจิตให้เข้าระวังไปเป็นการหนีหนีทุกเวทน า, าไม่เผชิญกับมันอาจต้องวิพัฒนามันจะได้บรรลุเป็นโสดาได้ที่อยางได้เป็นโสดาพนักเนี่ยก็ต้องไม่กลัวความเจ็บของร่างกายถ้าใช้สมรรถใช้สติมันก็เพียงแต่เข้าไปในสมาธิไปหลบไปหลบมัน มันก็ยังเป็นโลกิยาอยู่ถ้าจะเป็นโลกุตระก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญหามันไม่ได้เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ใจเราไปกลัวมันไปอยากให้มันหายไป เ, เราทําลายตัวนี้ได้แล้วตัวทุกข์ใจก็จะหายคือเราไม่เห็นไม่เห็นโทษของความอยากของเราความกลัวของเรา ว่ามันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างความเครียดให้กับเราไม่ใช่ความเจ็ดของร่างกายที่เป็นตัวสร้างความเครียดแต่ความอยากไม่เจ็บที่มันทําให้เกิดความเครียดขึ้นต้องดับไอ้ตัวความอยากไม่เจ็บนี้ให้ได้ต้องมองว่าเราห้ามมันไม่ได้เหมือนฝนตกอย่างนี้เราไม่ห้ามมันให้ไม่ไม่ให้มันตกไม่ได้ไปสั่งให้มันหยุดไม่ได้ทุกเวทนาก็เหมือนกันของทางร่างกายมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไปสั่งมันม่ได้ต้องอยู่กับมันไป ตามใจอุเบกขาเฉยๆ้ต้คุณบอกต้องมีสมาธิมันถึงจะวิปัสสนาได้